สังยุตนิกายมหาวาระมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่นี้ตามเป็นจริงพระธถาคตอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นามเรียกว่าเป็นอริยที่แปลอย่างนี้ถือตามที่อ้างในวิสุทธิมักแต่ในบาลีฉบับอักษรไทยไม่มีคำว่าอริยจึงต้องแปลว่า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 หาไม่พบในพระไตรปิฎกที่มีอยู่ส่วนความหมายของอริยสัจในยะที่สี่สัจจะอย่างอริยะคือแท้แน่นอนมีที่น่าสังเกตคือเราแปลอริยะว่าประเสริฐจึงแปลอริยสัจว่าความจริงอย่างประเสริฐหรือความจริงอันประเสริฐแต่ของวิสุทธิมัติท่านแปลตรงตามพุทธพจน์ว่าความจริงที่แท้ สำหรับความหมายของอริยสัจแต่ละข้อพึงทราบตามบาลีในธรรมจักรกระปวัตนสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจคือชาติหรือความเกิดก็เป็นทุกขาราความแก่ก็เป็นทุกขพยาธิความเจ็บไข้ก็เป็นทุกทมขกกมรณะคือความตายก็เป็นทุกข การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกโดยย่อดโดยใจความอุปาทานขันห้าเป็นทุกขิภุทษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันนาให้มีพบใหม่ประกอบด้วยนันท่ราคะ ซึ่งครุ่นใครใ่ฝ่าหาในอารมณ์ต่างๆได้แก่การมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือการที่ตันหานั้นแหลดับไปได้ด้วยการสำรอกออกหมดไม่มีเหลือการสละเสียได้สลัดออกพ้นไปได้ไม่หน่วงเหนียวพัวพัน